ไรแก่ผู้ทําสิ่งที่ถูกต้องเสมอการละครั้งหนึ่งมีบ้านไร่อยู่ในชนบทตรงมุมหลังคามีพืชต่างๆขึ้นอยู่มากมายในบ้านมีคู่สามีภรรยาชาวไร่แก่อาศัยอยู่พวกเขาจนมากสิ่งที่ทําให้เขาอยู่รอดมาได้ก็คือม้าของเขาพวกเขาจะให้พวกพ่อค้าเช่ามา้าเพื่อแลกกับอาหารหรือว่าเสื้อผ้า คู่ชาวไร่ไม่เคยขออะไรไปมากกว่านั้นพวกเขามีความสุขกับทุกสิ่งที่พวกเขาได้รับอ๋อที่รักหลังคาบ้านเรามีรูใหญ่มากโอ้โหคิดได้ทางที่ดีสิหน้าต่างบานของเราก็ขึ้นสนิมหมดแล้วมันก็เปิดไม่ได้แล้วรูใหญ่บนหลังคาเราก็จะมีแสงสว่างโดยที่ไม่ต้องซ่อมหน้าต่างเลย คุณพูดถูกเออแล้วถ้าฤดูหนาวและฤดูฝนล่ะเราต้องหาทางหาเงินกันแล้วล่ะนะที่รักโอ้ฉันรู้แล้ววันนี้ที่ตลาดมีงานทำไมคุณไม่ลองไปขายม้าดูล่ะเราจะได้ของที่สมราคากับม้าของเราน่าจะได้เครื่องเงินมาห้าชิ้นหรือว่าเจ็ดชิ้นน่าจะนะฉันหวังว่าน่าจะได้เยอะขนาดนั้น อ้คุณจะได้มันสิ่งที่ชายแก่ของฉันทำถูกต้องสเสมอละ่ะอืมอ่ะและชายแก่ก็นำม้าของเขาออกไปที่งานผ่านบ้านชายรียดนมโอ้ว้าวนั่น น, นมเยอะมากเลยนะโมก็ใช่นะ น่าจะแต่ว่านายน่ะดูไม่มีความสุขเท่าไรอ๋อนายรู้ได้ยังไงนายมีม้าที่ดีอยู่นั่นไงฉันจะจะมีบ้างเนอะอืมทางั้นมานี้ทําให้นายมีความสุขงั้นเราก็มาเปลี่ยนกันไหมเปลี่ยนเหรอนายหมายถึงเออแลกวัวกับม้าอย่างนั้นเหรอใช่ทำไมล่ะฉันมีความสุขมากถ้าฉันได้วัวมาอ๋อโอเคงั้น ขอบคุณมากนะเขามีความสุขกับการแลกเปลี่ยนครั้งนี้และชายแก่เดินไปที่งานอย่างร่าเริงขณะที่เขากำลังต่อแถวเข้าประตูสวัสดีแฮร์รี่สวัสดีนี่ทำไมไนายทำหน้าแบบนั้นล่ะเพื่อนแม่ จำเจะวัวสุขภาพดีที่ฉันมีได้ไหมภรรยาของฉันขอให้แลกมันกับอะไรที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์นะฉันคิดว่าอะไรมันจะดีไปกว่าแกแต่ว่าเธอไม่มีความสุขกับมันเลยเธอให้ฉันกลับมาแลกกับอะไรที่ใหญ่กว่านี้ฉันไม่รู้ว่าฉันจะมีข้อแลกเปลี่ยนที่ดีหรือเปล่าแค่นั้นเองเหรอนายโชคดีนะเพื่อนฉันเพิ่งแลกม้าของฉันกับวัวมาและตอนนี้ฉันก็คิดว่า ภรยาฉันน่าจะอยากได้กแก่คนแก่เน่จะทำให้พวกเราอุ่นในฤ ด, ดูหนาวแล้วนายน่ยยากแลกแกกับบัวไหมแลกแก่กับบัวอย่างนั้นเหรอนายเออแน่ใจนะโอ้แน่นอนที่สุดเลยแล้วการแลกเปลี่ยนก็เกิดขึ้นแล้วชายแก่ก็คิดว่าภรรยาของเขา จะมีความสุขมากแค่ไหนกับแกะตัวนี้แฮร์รี่พูดถูกอะไรจะดีไปกว่าแกะตัวนี้อีกพวกนั้นคิดว่าตัวเองเป็นใครฉันขอแค่แอปเปิลโหลหนึ่งมันตั้งแต่เมื่อไรที่ไข่สามฟองไม่พอเนี่บอ<า>เนี่คุณครับคนโอเคหรือเปล่ามารยาดีเหลือเกินฉันจะไม่ได้หายใจเลยเหรอวันนี้อย่างแรกฉันโดนวัวรบกวน แล้วมันก็ร้องใส่ฉันหลังจากนั้นฉันก็โดนเมาวิ่งไล่ฉันแล้วหานก็มาร้องใส่ฉันแล้วตอนนี้ชายแก่ก็มาตะโกนใส่ฉันอีกนายต้องการอะไรจากฉันโอ้ฉันเออไม่ได้ตั้งใจตะโกนใส่เดี๋ยวนะฉันตะโกนอย่างนั้นเหรอคือฉันฉันหมายถึงเธอดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงที่วิเศษนะเอ่อแล้วทำไมทุกคนต้องตะโกนใส่เธอด้วยล่ะฉันขอโทษถ้าฉันทาไปนะแต่ฉัน ถาอะไรหน่อยได้ไหมอะไรทําให้เธอไม่มีความสุขเฮ้ยหานฉันออกไข่มาสามฟองวันนี้น่ามันมากกว่าหนึ่งโหลด้วยซ้ำหนึ่งสองสาและสิ่งที่ฉันต้องการก็แค่แอปเปิลโหลหนึ่งและพวกเขาบอกว่ามันไม่พอตั้งแต่เมื่อไหรก่การที่ไข่หานพวกนี้มันไม่พอโอหานออกไข่สามฟองหรือวันนี้ นั่นวิเศษมากเลยใครที่ได้เจ้าหานตัวนี้ไปคงโชคดีมากอฉันรู้และฉันไม่มีอะไรจะพูดกับนายอีกแล้วละ่ะลาก่อนเดี๋ยวหารไม่ได้ทำให้เธอมีความสุขอย่างนั้นเหรอฉันแหละแกะของฉันกับหานของเธอได้นะแกะเหรอแกะแลกหานเหรอพอกันที ดียังไงนายมันล้อเลียนฉันเนี่ยฉันไม่มีอารมณ์กับเรื่องล้อเล่นพวกนี้หรอกอ๋อไม่นะคือฉันฉันไม่ได้จะล้อเลียนเธอภรรยาของฉันจะชอบเจ้าหานตัว น, นี้มากแน่ๆได้โปรดคิดถึงมันสักนิดกวอย่างดีอย่างนั้นเหรอฮึนี่มันเป็นเรื่องตกลงที่แปลกมากโอเคท่านนายอยากได้หานฉันมากฉันก็จะเอาแกะของนายมาแลกกับหานของฉันการแลกเปลี่ยนได้เกิดขึ้น ชายแก่เสียแก่ไปแต่เขาดูมีความสุขมากกว่าผู้หญิงที่โวยวายคนนั้นอีกดึ๊บดือดอดดึ๊บดดือดในขณะที่กำลังมืดลงชายแก่ตัดสินใจเดินกลับบ้านเขาเห็นชายคนหนึ่งกำลังพูดอยู่กับไก่ของเขาเขาหยาบคายมากจะทำยังไงกับนายดีเนี่ยที่ให้ไข่ฉันแค่หนึ่งใบฉันเลี้ยงนายมาหลายปีแต่นายยังไม่ออกไข่ให้ฉันเลยฟักใบเดียว ปปกโอ้เจ้าไก่นี้เข้าใจที่นายพูดอย่างนั้นเหรอนั่นมันตลกมากเลยนะคุณขอฉันพูดกับเจ้าไก่งามตัวนี้ด้วยได้ไหมอะไรกันนายคิดว่าเจ้าไก่ตัวนี้สวยเหรอนายคงมีปัญหากับชีวิตสินะปัญหาก็คือปัญหาถ้านายคิดว่ามันเป็นปัญหาเนะใช่เลยนายต้องการอะไร นายดูมีปัญหากับไก่หารจะทำให้นายมีความสุขไหมฉันสามารถแลกไก่กับหานของนายได้นะอะไรนะหานตัวนั้นกับเจ้าไก่ผอมตัวนี้อย่างนั้นเหรอนายแน่ใจนะแน่นอนภรรยาของฉันบอกว่าให้ทำการแลกสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดภรรยาของคุณจะคิดว่านี่มีประโยชน์อย่างนั้นเหรอแน่นอนเธอจะจูบหน้าผากฉันแล้วพูดว่า สิ่งที่ชายแก่ของฉันทําถูกต้องเสมอโอเคงั้นฉันคงไม่ปฏิเสธนะชายแก่พาไก่ตัวใหม่ของเขากลับบ้านอ้เจ้าหานะทาตัวดีๆีละฉันไม่ชอบตะโกนโอ้ยีลยวฉันหิวจังเลย <c oughs> ชกโกลทของเขามีมาร์ชเมลโล่หชิ้นแต่ว่าฉันน่ะมีมาร์ชเมลโล่แค่5ชิ้นนี่มันไม่ยุติธรรมคุณท่านครับแต่พวกเรามีมาร์ชเมลโล่แค่นี้นะครับอ๋ อ, อ, อ, อ, อนั่นไม่ใช่ปัญหาของเราฉันช่วยได้นะดูดูดด ด, ด, ด, ด, ด, ด ตอนนี้พวกคุณทั้งสองก็มีหาชิ้นเท่ากันแล้วจริงด้วยเขาแก้ปัญหาของเราแล้วเฮ้ยฮ้ยนี่นายมาทำอะไรตรงนั้นน่ะเดฟลุกขึ้นแล้วทำความสะอาดคราบพวกนี้ซะน่ามันคือความผิดกุ้นดหรือผมแล้วดูขนาดของกระสอบนี่สิผมไม่น่าจะเป็นคนลากกระสอบนี่ไปข้างนอกกระสอบน่าจะเป็นฝ่ายลากผมเฮ้ยมันนี่ เจ้ากระสอบบ้าเอ้ยโอ้ในกระสอบมีอะไรเหรอแอปเปิ้ลเสียไงยต้องเอาไปทิง้งโอ้โอ้ฉันพึงนึกขึ้นได้เราเคยมีต้นแอปเปิ้ลที่สวยงามต้นหนึ่งแต่มันเหี่ยวตายไปแล้วสิ่งที่เหลือก็คือแอปเปิ้ลเน่า ภรยาของฉันก็ยังคงเก็บมันไว้ฉันสงสัยว่าเธอจะมีความสุขมากแค่ไหนถ้าฉันให้อาเปลเน่าเธอทั้งกระสอบฉันขอแอปเปิ้ลกระสอบนี้แล้วเธอก็เอาไก่ของฉันไปนะว้าวว้า ว, ว, าวฉันเพิ่งได้ยินอะไรเนี่ยนายอยากแลกไก่ของนายกับกระสอบแอปเปิ้ลเน่าอย่างนั้นเหรออดชัฉันก็มีแค่ไก่ตัวนี้ที่แลกได แล้วภรรยาคงน่าจะดีใจที่เห็นกระสอบนี้อย enfin in ่างนั้นเหรออ๋อแน่นอนเธอจะจูบที่หน้าผากฉันแล้วพูดว่าสิ่งที่ชายแก่ของฉันทําถูกต้องที่สุดนั่นเป็นเรื่องตลกที่สุดที่ฉันเคยได้ยินมาเลยในวันนี้นี่ฟังนะชายแก่นายควรจะขายไก่นี้เพื่อเอาเงินแทนนะแอปเปิลเน่าไม่ได้นำความโชคดีหรือว่าความสุขมาให้ แต่ความสุขนั้นคือเงินต่างหากโอ้พวกคุณเหมือนจะมีเงินเยอะนะแต่พวกคุณอ่ะก็ไม่มีความสุขกับม a ร์เมลโล่แค่ชิ้นเดียวการกินมารเมลโล่ชิ้นนั้นผมไม่ได้ใจอะไรเลยแต่มันทำให้ผมมีความสุขผมไม่เห็นว่าเงินจะทำให้มีความสุขตรงไหนเลยแต่กระสอบแอปเปิลเน่าสามารถนำความสุขมาให้ได้แน่ๆนเป็นไปไม่ได้ฉันไม่เชื่อนาหรอกนาะ ฉันรู้แล้วมาวางเดิมพันกันดีกว่าเ อ, อวางเดิมพันเหรอฮู้นายรู้ไหมการวางเดิมพันเนี่ยเมื่อเขาพนันในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งแล้วนายก็ต้องวางตรงข้ามเน่ะและเขาจะแพ้ถ้าอีกฝั่งเป็นจริงแล้วนายจะต้องจ่ายหากสิ่งที่พูดไม่เป็นจริงแล้วก็เฮ้ยทาไมนายต้องทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากด้วยฮะเฮนรี่มันง่ายมาก ฉันวางเดิมพันทองหนึ่งรอแทง่งเราจะไปที่บ้านของนายแล้วนายก็ทำตามที่พูดให้พวกเราฟังกับภรรยาของนายต่อหน้าของพวกเราถ้าเธอจูบหน้าผากของนายแล้วพูดว่าสิ่งที่ชายแก่ของฉันทำถูกต้องเสมอล่ะก็ฉันจะให้ทองหนึ่งรอยแท่งกับนายาคือว่าแต่แต่ผมไม่มีอะไรให้คุณ ฉันไม่สนใจหรอกเพราะว่ามันไม่มีทางที่ฉันจะแพ้แน่นอนแต่ว่ามันจะเป็นการวางเดิมพันที่ไม่ถูกต้องนะผมไม่มีอะไรให้คุณอืมเอาผมคิดออกแล้วถ้าผมแพ้นายเอากระสอบแอปเปลิลเน่านี้ไปตกลงตกลงสามีกลับบ้าน พร้อมกับชายอังกฤษสองคนภรรยาของเขายินดีต้อนรับแขกของเขาวันของคุณเป็นยังไงบ้างที่รักเอ้มันแปลกมากฉันไปขอสมุนไพรกับคุณเอริเซนเธอหัวเราะแล้วพูดว่าฉันไม่มีแม้กระทั่งแอปเปิลเน่าที่จะให้เธอคุณเชื่อไหมเธอมีเงินมากมายแต่ก็ไม่มีแม้แต่กระทั่งแอปเปิลเน่านะ <c oughs> แล้วคุณขายม้าได้ไหมมีอะไรอยู่ในกระสอบนี้ยโอ้ใช่ฉันเอาม้าของเราแลกวัวระหว่างทางโอ้ที่รักทําไมเจ้าวัวที่น่าสงสารอยู่ในกระสอบออไม่ไม่ไม่ไ ม, ม่ฉันไม่มีวัวฉันแลกวัวไปกับแกะแล้วล่ะนะโอ้คุณหัวใสจริงๆคนขอมันทําให้เราอุ่นในฤ ด, ดูหนาวแต่ แกจะหายใจได้อย่างไงในกระสอบออไม่ไม่ไม่ฉันไม่มีแกะแล้วฉันแลกมันกับหานหานอย่างนั้นเหรอได้มันยิ่งกว่าแกะซะอีกนะฉันสามารถขอให้เพื่อนบ้านให้อาหารเราสำหรับหานอ้อไม่ต้องแล้วฉันได้แลกแกกับไก่มาออ oh, คุณนี่คิดทุกอย่างมาแล้วนะตอนนี้เราก็มีไข่แล้ว แล้วก็ไม่มีสัตว์ตัวไหนสมควรอยู่ในกระสอบนะมาให้ฉัน้ม่ไม่ที่รักฉันน่แะแหลกกายกับแอปเปิลเน่ามาชายอังกฤษพร้อมที่จะหัวร้อชายแก่พวกเขารู้ว่าภรรยาของเขาต้องโกรธเขาแน่ๆน <G AS K> กระสอบที่เต็มไปด้วยแอปเปิลเน่าเหรอคุณจำต้นแอปเปิลเก่าได้ใช่ไหมคะ คุณจำได้ว่าฉันร้องไห้ตอนที่มันเหี่ยวลงนะแล้วฉันมีความสุขกับแอปเปิ้ลเน่าลูกสุดท้ายมากแค่ไหนโอ้ฉันจะเอาไปโชว์ให้กับคนเอริเซนเธอไม่มีแม้แต่แอปเปิ้ลเน่าเลยฉันมีทั้งกระสอบอใครรวยกันล่ะตอนนี้ <laughs> โอ้คุณสามีมม สิ่งที่ชายแก่ของฉันทำถูกต้องที่สุดชายอังกฤษรักษาสัญญาพวกเขาให้ทองหนึ่งอยแท่งแก่คู่สามีภรรยาชาวไร่และโบกมือบอกลาพวกเขาน่าสงสารพวกเขาเขาเสียมาวัวแก่ห่านแล้วก็ไก่ในหนึ่งวันเฮ้ยนายไม่ได้เรียนรู้อะไรจากคู่สามีภรรยาชาวไร่นี้เลยเหรอพวกเขานะี่ย ฉลาดมากพวกเขาให้บทเรียนแก่พวกเรานี่นายเห็นไว้ว่าม้าของพวกเขาหายไปแล้วรวมถึงวัวแกะห่านแล้วก็ไก่แต่พวกเขาไม่เสียใจให้กับสิ่งเล็กๆเลยพวกเขาสอนให้พวกเรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีนั่นคือกุญแจสาคัญของการมีชีวิตที่ดีโอ้นั่นง่ายมาก แล้วถ้าเรามีกุญแจแต่ไม่มีที่ล็อกละ่ะดังนั้นนายจะต้องหาที่ล็อกก่อนแล้วนายคอยหากุญแจที่ไขชีวิตที่มีความสุขนั่นหมายถึงนายต้องมีที่ล็อกก่อนนะเฮ้ยนายมันหัวแข็งนะพวกนายมันหัวแข็งเตือนฉันหน่อยนะว่าอย่าให้ฉันถามคำถามนายอีกโอ้แต่ถ้าฉันลืมเตือนนายละ่ะนายต้องจาเพื่อให้ฉันเตือนนายโอ้ ก็นายขอให้ฉันเตือนนายเพราะว่านายอาจจะลืมดังนั้นฉันจะเตือนตัวเองเพืที่จะเตือนนายว่าไม่ต้องถามคำถามกับฉันอีกเข้าใจมัมโอ้ยและคู่สา ม, มีภรรยาชาวไร่ก็อยู่ยังมีความสุขสำหรับชายแก่เขาทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอ